วันนี้เป็นวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2563เป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับสั่งให้พุทธบุตสัตว์ให้ชาวพุทธ ภาษาสนิกระชนให้หยุดภารกิจการงานต่างๆไว้หนึ่งวันเพื่อจะได้เอาเวลามาศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อยกระดับจิตใจปรปับปรุงจิตใจ พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงนี่คือเจตนารมของวันพระวันพระให้เราหยุดทำงานกันสมัยนี้เป็น ที่น่าเสียดายที่วันหยุดทำงานของพวกเราไม่ตรงกับวันพระเสียแล้วสมัยก่อนสมัยที่เรายังไม่ได้มีการติดต่อกับโลกภายนอกสมัยก่อนนั้นเรายังใช้วันพระเป็นวันหยุดทางานกันอยู่วันโกนกับวันพระต่อมาได้มีการติดต่อ ทำมาค้าขายกับต่างประเทศซึ่งต่างประเทศเขาโดยสาคลเขาหยุดทำงานในวันเสาร์วันอาทิตย์กันทางประเทศไทยก็เลยต้องปรับตัวให้ตรงกับสาคลคือมาหยุดทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์กัน แต่ไม่ได้ปรับวันพระให้ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์กันวันเสาร์วันอาทิตย์กับวันพระเลยไม่ตรงกันจึงทำให้ญาติโยมไม่มีเวลาไม่มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาปฏิบัติธรรมอย่างสม่าเสมอ เพราะน า, นานวันพระจะตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์สักครั้งหนึ่งเช่นวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ถ้าญาดิโยมทำงานทำงานเป็นลูกจ้างก็ต้องไปทำงานกันเพราะทางบริษัทเขาจะให้หยุดงานในวันเสาร์วันอาทิตย์ยกเวก้นญาดิโยมที่ทำกิจการของตนเอง ทำมาค้าขายของตนเอง <Yeah. S 1> ก็สามารถเลือกวันหยุดได้ <Yeah. S 1> อยากจะหยุดวันไหน <Yeah. S 1> ก็หยุดได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าไปทำงานกับบริษัทต่างๆ <Yeah. S 1> เขาจะให้หยุดวันเสาร์อาทิตย์กัน <Yeah. S 1> ก็เลยเสียโอกาสที่จะได้มาศึกษา <Yeah. S 1> ได้มาปฏิบัต <Yeah. S 1> ิาาาา <Yeah. S 1> ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อใช้เพื่อที่จะได้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราอาจจะต้องมาปรับปรุงกันในเรื่องวันหยุดวันพระกันคืออาจจะต้องเปลี่ยนวันพระให้มาตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์กันเพราะวันเสาร์อาทิตย์ จะได้มีเวลาว่างที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมกันที่นี่ทางวัดเราที่นี่เราก็ปรับตัวคือให้มีการแสดงธรรมเพื่อให้ญาติโยมได้ศึกษากันทั้งในวันพระเก่าเช่นวันนี้ และวันพระใหม่คือในวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยที่นี่เลยมีการแสดงธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์และวันพระกันวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เพื่อญาติโยมที่หยุดงานหยุดทำงานในวันเสาร์วันอาทิตย์จะได้เข้ามาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันได้ แต่บางวัดนี้ท่านก็ยังใช้วันพระเก่าอยู่คือถ้าจะไปฟังเทศไปศึกษาธรรมที่วัดก็จะมีแต่วันพระเช่นวันนี้ถ้าไปวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะไม่มีการแสดงธรรมกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละวัดอาจจะต้องพิจารณาเพื่อปรับให้มันทันกับเหตุการณ์ ของทางโลกที่เปลี่ยนไปเพื่อจะได้ตอบสนองเจตนาลมของพระพุทธเจ้าที่ต้องการให้ชาวพุทธเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมกันเพื่อจะได้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงพวกเราทุกคนนี้ ตอนนี้มีร่างกายของมนุษย์แต่จิตใจของพวกเรานี้อาจจะสูงต่ำกว่ากันบางคนมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจอาจจะต่ำกว่ามนุษย์ก็ได้จิตใจอาจจะเป็นเดรัจฉาน <S S S S S เป็นเปรตเป็นอาศรกายหรือ เป็นนรกก็ได้หรืออาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้ร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจก็เป็นมนุษย์หรืออาจจะสูงกว่ามนุษย์ก็ได้ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทพก็ได้เป็นเทวดาหรือสูงกว่าเทวดาก็ได้เป็นพรหมสูงกว่าพรหมก็ได้เป็นพระอริยเจ้านี่คือ ตำแหน่งต่างๆของจิตใจหรือชั้นต่างๆของจิตใจของพวกเราที่พวกเราทุกคนนี้มีโอกาสที่จะยกระดับให้สูงขึ้นได้ให้สูงกว่าที่เราเป็นอยู่กันในขณะ น, นี้สมมุติว่าถ้าเรายังเป็นเดรฉานอยู่ยังเป็นเปรตยังเป็นอสุรกายหรือยังเป็นนรกอยู่ เราก็สามารถยกระดับให้ขึ้นมาสู่ระดับของมนุษย์ได้อย่าไปคิดว่าเรามีร่างกายเป็นมนุษย์แล้วเราจะเป็นมนุษย์เราอาจจะเป็นเหมือนกับสุนัขก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเรา <c oughs> ว่าเราทำพฤติกรรมอย่างไรถ้าเรามีพฤติกรรมเหมือนกับสุนัข ถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเราก็ไม่ต่างกับจิตใจของสุนัขอะไรที่ทำให้จิตใจของพวกเราลงต่ากว่าการเป็นมนุษย์ก็คือการกระทำบาปต่างๆนั่นเองการฆ่าสัตว์การรักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปด และการเสพอบายามุขเช่นการดื่มสุรายาเมาการเล่นการพนันนะการเที่ยวหาความสุขจากการมาคุณทั้งห้าคือจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะะชนิดต่างๆนะและความเกียดคร้านและการครบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตร <c oughs> การกระทำเหล่านี้จะดึงให้ใจเราลงต่ำตามจากการเป็นมนุษย์อบายามุขนี้ยังไม่ได้ดึงให้เราลงต่ำแต่ดึงให้เราไปอยู่บากเขีว<ม>เพื่อให้เราได้ตกลงไปในอบาป<ม>เพราะการเสพอบายามุขนี้จะทำให้เรานี้ ไม่สามารถต้านการกระทำบาปได้เช่น <Yeah. S 1> ถ้าเราดื่มสุราจนมึนเมา <Yeah. S 1> พอใจของเราคิดจะทำบาปขึ้นมา <c oughs> เราก็จะไม่มีสติยับยัง้ง <Yeah. S 1> ไม่เหมือนตอนที่เราไม่ได้ดื่มสุรา <Yeah. S 1> ตอนที่เราไม่มีอาการมึนเมา <Yeah. S 1> เวลาเราจะทำบาปนี่เราจะรู้รู้ตัวก่อน รู้ว่าจะทำบาปแล้วรู้ว่าไม่ดีเราก็จะไม่ทำเราก็หยุดได้ถ้าเราไม่มึนเมาแต่เวลามึนเมานี้เราจะไม่รู้สึกตัวเราจะไม่รู้ว่าเรากำลังจะทำบาปหรือไม่พระพุทธเจ้าเลยต้องรวมข้อสุรายาเมานี้ไว้ในศีลห้าด้วยคือ <c ười> ไม่ให้ดื่มสุรายาเมา เพราะถ้าดื่มแล้วจะเกิดอาการมึนเมาขาดสติขึ้นมาสติคือการยับยั้งใจพอใจจะพูดอะไรไม่ดีพูดโกหกพูดคำหยาถ้าขาดสติก็จะพูดออกมาทันทีถ้าจะทำอะไรที่เสียหายกับพูดก็จะทำขึ้นมาทันที ก็เลยต้องห้ามไม่ให้เสพอบายามุข mm hmm. เช่นสุรายาเมา mm hmm. และการเล่น mm hmm. การพนัน mm hmm. การเทีย่ยวเต่การเกียรต์ความเกียรติค้าน mm hmm. และการครบคนชอบอบายามุขเป็นมิตร mm hmm. ก็จะเป็นตัวที่จะมาทําให้เราทําบาปได้ง่ายขึ้น mm hmm. เพราะอบายามุขนี้ ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย <Yeah. S 1> ถ้าเรามีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้เดี๋ยวเงินทองเราก็ไม่พอใช่ <Yeah. S 1> พอเงินทองไม่พอใช้ <Yeah. S 1> เรามีความเกียจข้านไม่ชอบไปทำงาน <Yeah. S 1> เราก็จะหาเงินโดยวิธีที่ง่ายๆ <Yeah. S 1> ก็คือวิธีช่อกองต่างๆ ก็ทำให้เราทำผิดศีลข้อสองข้อสามไปข้อสองกับข้อส<ม>ี่โกหกหลอกลวง ช, อช่อชฉนหรือลักทรัพย์ของผู้<ม>อื่นช่อโกงก็เป็นการลักทรัพย์ของผู้นนี่คือสิ่งที่จะดึงจิตใจของพวกเราให้ลงต่ำต่ำกว่าการเป็นมนุษย์ ถ้าเราอยากจะดึงจิตใจของเราให้กลับขึ้นมาสู่ระดับของมนุษย์เราก็ต้องเลิกทาบาปกันเลิกเสพอบายามุกกันด้วยการมาปฏิบัติ ใ, ในวันพระก่อนเรายังอาจจะไม่สามารถเลิกได้ทุกวันแต่เบื้องต้นเราขอให้มีอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันก่อนคือวันพระวันนี้เรามาเลิก ทำบาปกันมาเลิกเสพอบายามุกกันถ้าเคยเดื่มสุรายาเมาก็วันนี้เลิกดืม่มถ้าเคยเที่ยวเตะไปตามสถานบันเทิงตามรงมห์รสพต่างๆหรือที่ท่องเที่ยวต่างๆวันนี้เราก็หยุดเที่ยวกันหนึ่งวันถ้าเราเล่นการพนันกันวันนี้ก็หยุดเล่นการพนันกันหนึ่งวัน ถ้ามีความเกียดข้านวันนี้เราก็จะมามีความขยันกันหยุดความเกียดข้านด้วยการมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันรักษาศีลกันละเว้นอบายามุข ก, กันอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำความเพียรเป็นการทำลายความเกียดข้านได้ถ้าวันนี้เราสามารถรักษาศีลห้าได้ ไม่เสพอบา ย, ยมุกได้วันนี้จิตใจของเราจะเป็นมนุษย์กันหนึ่งวันแต่ถ้าพรุ่งนี้เรากลับไปเสพอบา ย, ยมุกกลับไปทาบาปต่อจิตใจเราก็จะกลับลงไปอบายทันทีจิตใจของเรานี้ไม่ต้องรอให้ร่างกายตายถึงจะไปอบายหรือจะไปสวรรค์หรือไปที่ไหน ไปทันทีตามบุญหรือบาปที่เราทำกันไว้เช่นวันนี้ถ้าเราไม่ทำบาปกัน <Yeah. S 1> วันนี้เราก็ดึงใจของเราออกจากอบายหนึ่งวัน <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่ทำบาปสองวันเราก็จะดึงใจออกจากอบายไดสองวัน <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่ทำบาปทุกวันเลย ไม่เสพอบายมุกเลยเราก็จะดึงใจให้ออกจากอบายได้ทุกวันเลยไม่ต้องรอให้ร่างกายตายก่อนใจนี้ไปแล้วไปอบายแล้วไปสวรรค์แล้วก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เรามาทำกันนี่เองวันนี้เราจะได้เบื้องต้นถ้าเราอยู่ในอบายเราก็จะดึงใจของเราให้ขึ้นจากอบาย ด้วยการไม่เสกอ บ, บายามุกด้วยการไม่ทำบาปแล้วใจของเราก็จะกลับขึ้นมาสู่ระดับของมนุษย์ทันทีแล้วถ้าเราอยากจะให้ใจของเราขึ้นสูงกว่าระดับของมนุษย์เราก็ทำอีกข้อหนึ่งก็คือทำบุญทำทานเ <S S S> ช่นแบ่งปันมีข้าวของเงินทองที่เรา ไม่ต้องเก็บเอาไว้ไม่ต้องเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายอะไรนี่ก็เป็นเงินที่เป็นเงินส่วนเกินมีก็ได้ไม่มีก็ได้เราก็เอาเงินก้อนนี้มาทําบุญทําทานกันถ้าเราทําบุญทําทานเราก็จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่งจากระดับของมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดากัน เป็นเทพกันแล้วระดับของเทพก็มีอยู่หกระดับด้วยกันขก้นอยู่ว่าทำมากทำน้อยทำทำน้อยก็อยู่ระดับต่ำทำมากก็อยู่ระดับสูงมากน้อยนี่ไม่ได้ไปเทียบกับคนอื่นแต่มากน้อยนี่เทียบกับตัวเราเองเช่นเราทำบุญสิบบาท กับทำบุญร้อยบาทอย่างนี้แสดงว่าเราทํสิบบาทนี้ทําน้อยกว่าทำร้อยบาททาน้อยบาทก็น้อยกว่าทํำพันบาทแต่เราไม่ต้องไปเทียบกับคนอื่นคนอื่นเขาทำหมื่นบาทแล้วเราไปเทียบเราทํสิบบาทนี่เราอาจจะคิดว่าเราน้อยกว่าเขาแต่ความจริองอาจจะมากกว่าเขาก็ได้ เพามันอยู่ที่ว่าเรามีมากหรือมีน้อยแล้วเราแบ่งไปมากหรือแบ่งไปน้อย <Yeah. S 1> บางทีเราสิบบาทนี่เราอาจจะแบ่งมากกว่าคนที่มีหมืน่นมื่นบาทแบ่งไปหมืน่นทำบุญหมืนหม่นบาทก็ได้เพราะคนทําเงินคนทําหมื่นบาทอาจจะมีเงินเป็นล้านเป็นสิบล้าน <Yeah. S 1> แต่คนที่ทำสิบบาทนี่อาจจะมีแค่ร้อยบาทนี่แบ่งไปสิ บ, บาทเนี่ แสดงว่าทำมากกว่าคนที่ทำหมื่นบาทนะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับเงินของคนอื่นคนอื่นเขาจะมีมากมีน้อยเขาจะได้บุญมากบุญน้อยไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขของเงินที่เขาทำอยู่ที่ว่าเขาแบ่งส่วนที่เขามีอยู่นี้ไปมากน้อยต่าง ก็มีสิบล้านก็แบ่งไปหมื่นเดียวมันก็ไม่กี่ตังค์ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่เรามีร้อยบาทเราแบ่งไปสิบบาทนี้เราแบ่งไ ป, งไปตั้งร้อยละสิบแสดงว่าเราได้บุญมากกว่าคนที่ทํท 100, 100, 100, าทําบุญหมื่นหนึ่งหมื่นบาทเพราะการเสียสละของเรามากกว่าเขานั่นเองเราเสียสะ100ละร้อยละสิบก็อาจจะเสียสละแค่ น้อยละหนึ่งหรือไม่ถึงหนึ่งก็ได้ถ้าเขามีมากทำบุญมีร้อยล้านทำบุญหมื่นบาทนี่มันไม่รู้สึกจะไปสะเทือนใจเขาเหมือนกับคนที่มีร้อยบาทแล้วทำสิบบาทนี่มันจะมีความรู้สึกสะเทือนใจต่างกันนี่อย่างเราไม่ต้องไปคิดว่าเรามีน้อยแล้วเราจะได้บุญน้อยไม่ใช่ เรามีน้อยมีมากนี่ได้บุญมากน้อยได้มากได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราทำมากหรือทำน้อยตามกำลังของเราแล้วก็เลยมีผลที่จะทำให้ใจของเราขึ้นสวรรค์ชั้นต่างๆกันคือสวรรค์ชั้นต่างๆนี่ก็เป็นสวรรค์ที่มีความสุขมากน้อยต่างกันนั่นเองเช่นถ้าเราทำสิบบาท กับทาร้อยบาทนี่เราจะมีความรู้สึกมีความสุขต่างกันทาสิบบาทรู้สึกว่าสุขน้อยนม่กันไม่ถึงใจทาสักร้อยบาททาร้อยบาทแล้วรู้สึกว่าอิ่มใจสุขใจขึ้นนี่นี่คือการทําบุญเป็นการยกระดับจิตใจที่เป็นมนุษย์เนี่ยต้องเป็นมนุษย์นะถ้ายังไม่ได้เป็นมนุษย์นี่ทาบุญยากถ้ายังเป็นอบายอยู่นี่ ยังจะดึงขึ้นมายากเพราะต้องดึงให้มาเป็นมนุษย์ก่อนถึงจะค่อยดึงขึ้นไปเป็นเทพได้ฉงนั้นคนทาบาปแล้วเอาเงินที่ทำบาปมาทำบุญนี้ก็ทำได้ไม่มากไม่มากพอที่จะดึงขึ้นให้ไปเป็นเทพได้ต้องดึงให้มาเป็นมนุษย์ให้ได้ก่อน ถ้ายังทำบาปอยู่บุญที่ทำไว้นี้ยังไม่สามารถที่จะให้ผลได้คือไม่สามารถดึงให้ขึ้นไปเป็นเทพได้และไม่สามารถดึงให้ขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ด้วยคนที่ทำบาปแล้วคิดว่าเอาเงินมาทำบุญแล้วจะทำให้ตนเองพ้นอบายไม่พ้นอบายก็ยังมีอยู่เพราะยังทำบาปอยู่ต้องหยุดการกระทำบาป ถึงจะขึ้นจากกระบายขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้แล้วพอเป็นมนุษย์แล้วทีนี้ก็ถ้าเคยทำบุญไว้ก่อนบุญที่ได้ทำไว้ก็จะส่งให้ขึ้นไปเป็นเทพได้ ท, ทันทีถ้ายังไม่ได้ทำบุญได้แต่ไม่ทำบาปไม่เสพอบายามุขก็จะเดึงจิตให้กลับขึ้นมาเป็นมนุษย์ก่อน แล้วก็ต้องมาทำบุญกันมีมากมีน้อยก็ทำไปทำมากก็ได้บุญมากได้สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปตามลำดับนีระดับต่อต่อจากมนุษย์ก็คือระดับเทพที่เราสามารถที่จะพัฒนายกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปได้และยังมีที่สูงกว่านี้ก็คือระดับพรหม ระดับพรหมนี้เป็นสวรรค์ที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ของระดับเทพถ้าต้องการขึ้นสูน่ระดับพรมนี้ก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติจากการรักษาศีลห้าให้มารักษาศีลแปดกันแล้วก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติคือการภาวนาในขั้นที่หนึ่งที่เรียกว่าสมถภาวนา ทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งให้เป็นสมาธิให้เป็นฌานขึ้นมา <Yeah. S 1> ก็จะยกระดับจิตใจให้สูงจากระดับเทพขึ้นไปสู่ระดับพรหมได้ <Yeah. S 1> ท่านที่อยากจะขึ้นไปเป็นพรหมวันนี้แทนที่จะรักษาศีลห้าก็เปลี่ยนมารักษาศีลแปดกัน <Yeah. S 1> แล้วก็ ไปฝึกสมาธิกันการถือศีลแปลนี้จะทำให้เรางดกิจกรรมในกามในเรื่องของกามทั้งหมดการเสพกามทางตาหูจมูกวิ้นกาย<ม>ก็หยุดเพราะต้องหยุดถ้ายังหาความสุขจากการเสพกามอยู่ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาหาความสุขจากการ ฝึกสมาธิทําใจให้สงบดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะขึ้นจากสวรรค์ชั้นเทพนี้ต้อ ง, งระงับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆด้วยการเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าขึ้นไปเป็นศีลแปดหรือสูงกว่านั้นก็ได้ถ้าอยากจะถือศีลสิบก็ได้ถ้าอยากไปบวชก็เป็นพระก็ศีลสองร้อยยิบเจ็ดก็ได้ หรือถ้าสมัยโบราณมีภิกษุณีก็ถือศีลสามน้อยสิบกว่าข้อได้อันนี้ก็เป็นศีลของผู้ที่ต้องการที่จะขึ้นไปเป็นพรมขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมยกระดับจิตใจให้เป็นพรหมขึ้นมาต้องเบื้องต้นต้องถือศีลอย่างต่ำก็ศีลแปดเพราะถ้าเราถือศีลแปดแล้วเราจะได้มีเวลามา ฝึกสมาธิกันนั่นเองเพราะศีลแปจะห้ามไม่ให้เราไปทำกิจกรรมทางร่างกายทางตาหูจมูกเล่นกายเช่นการร่วมหลับนอนกับแฟนของเราก็ต้องหยุดไปเพราะเราจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับแฟนเราก็เอาเวลาที่ไปร่วมหลับนอนกับแฟนนี้มาหาความสุขจากการนั่งสมาธิ ทำใจให้สงบกันแล้วก็ถือศีลข้อหกคือไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปรับพอให้ร่างกายอยู่ได้ดับความหิวได้ไม่ต้องรับประทานตามความอยากรับประทานหลังก่อนเที่ยงวันก็พอสำหรับการให้อาหารต่อร่างกาย ไม่จำเป็นจะต้องรับประทานตอนบ่ายตอนเย็นตอนข่ำตอนก่อนนอนอันนี้เป็นการเสพการกันด้วยรสชาติของอาหารด้วยกลิ่นของอาหารด้วยรูปของอาหารเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการคอยหาอาหารมากินอยู่เรื่อ ย, อยถ้าเราถือศีลแปดแล้วห ล, <c oughs> หลังจากเที่ยงวันเราก็ มีเวลาว่างล้วทีนี้เพราะว่าเราไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการหาอาหารแล้วสินข้อเจ็ก็จะทำให้เราว่างพราเราจะไม่ไปดูอะไรไปฟังอะไรแล้วไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปร้องํำทำเพลงไม่ไปเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยการแต่งหน้าทาปากทาเผ้าทาผม หรือสวมเสื law, it, ้อผ้าอภรรท์ที่สวยสดงดงามต่างๆเมื่อเราไม่ทำกิจกรรมเหล่านี้เราก็จะมีเวลาว่างที่จะปฏิบัติสมาธิได้ตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปเลยแล้วก็เราจะเพิ่มเวลาการปฏิบัติขึ้นอีกหน่อยได้ด้วยกันไม่นอนมากเกินไปด้วยการถือศีลข้อแปด สี่ข้อแปนี้จะทำให้เรานอนน้อยเพราะอะไรเพราะท่านไม่ให้นอนให้เรานอนบนเตียงสำราญเตียงที่มีฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆที่เตียงที่นอนแล้วสบายเกินไปเพราะถ้านอนบนเตียงที่สบายเกินไปเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจจะไม่อยากลุกใจจะขอนอนต่อ พอต่อยสองสามชั่วโมงแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆเนี่ยพื้นไม้พื้นเสือพื้นอะไรก็ตามที่มันไม่สบายปูเสือ่อหรือปูผ้านอนบนพื้นอย่างนั้นพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจก็อยากไม่อยากนอน <ừ. S 1> ก็จะลุกขึ้นมาทำสมาธิกันได้ <ừ. S 1> นี่คือ หน้าที่ของการรักษาศีนแปดเพื่อยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเพื่อที่จะได้เอาเวลานี้มาสร้างความสุขทางใจสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบคือการนั่งสมาธิการ เ, เจริญสติก่อนจะนั่งสมาธิได้ต้องมีสติก่อน เพราะสติจะเป็นตัวคอยหยุดความคิดต่างๆถ้าถ้าไม่มีสติคอยหยุดความคิดความคิดจะไม่หยุดความฟุ้งซ่านจะไม่หยุดนั่งสมาธิก็จะรู้สึกเกิดอัดนั่งไม่ได้นั่งก็ไม่สงบเพราะไม่มีสติที่จะคอยหยุดความคิดนั่นเองนั้นในเบื้องต้นก่อนที่เราจะนั่งสมาธิกัน เราต้องฝึกสติกันก่อนวิธีฝึกสติก็มีหลายวิธีด้วยกันที่เราใช้กันทั่วไปก็คือการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธเพราะเราสามารถบริกรรมพุโทโธได้ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาเราก็พุโทโธพุธโทโธไปในขณะที่เราไปทําอะไรต่างๆเราก็คอยควบคุมความคิดไว้อย่าปล่อยให้คิด ให้คิดอยู่กับคําว่าพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆหรืออีกวิธีหนึ่งก็ถ้าเราไม่พุทธโธเราก็สวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ส่วนอิติปิโสสวนนะโมตัสสะส่วนพุทธังสานังกฉามิสวนอะไรไปภายในใจเหมือนน้องเพลงในใจเนี่ยแทนที่จะร้องเพลงให้มาให้มาสวดมนต์แทนเพราะเพลงมันมีอารมณ์ ร้องเพลงไปแล้วเดี๋ยวมันออกที่จะคิดถึงคนนั้นคนนี้ขึ้นมาไม่ได้ <Yeah. S 1> คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้คิดถึงสถานที่นั้นสถานที่นี้ไม่ได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าร้ <Yeah. S 1> องพุโทโธธรรมโมสังโฆ <Yeah. S 1> หรือสวดอิติปิโสไปใจก็จะว่างจะเย็น <Yeah. S 1> จะหยุดคิดได้ <Yeah. S 1> อีกวิธีหนึ่งก็คือให้เราคอยเฝ้าดูว่าร่างกายเรากาลังทาอะไรอยู่ ให้ผูกใจให้อยู่กับร่างกายใจของเรากับร่างกายนี้เป็นเหมือนฝาแฝดแต่ใจมักจะหนีร่างกายไปเรื่อยๆไม่ชอบอยู่กับร่างกายร่างกายกำลังอาบน้ำก็ไปคิดถึงเรื่องกินข้าวแล้วเรื่องที่จะไปแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วอย่าเพิ่งส่งไปให้ไปพร้อมกัน ขณะที่ร่างกายอาบน้ําใจก็ควรจะอาบน้ําไปกับร่างกายพอร่างกายไปแต่งเนื้อแต่งตัวใจก็ไปแต่งเนื้อแต่งตัวกับร่างกายอย่าแยกกันให้ทําอะไรไปพร้อมๆกันเพราะการกระทาเหล่านี้จะทําให้ใจหยุดคิดได้หยุดคิดถึงอนาคตให้เราจะไปทําอะไรต่ออาบน้ําเสร็จเดี๋ยวจะไปแต่งเนื้อแต่งตัวใส่ชุดไหนดีใส่เสื้อผ้าสีไหนดีแต่ ใ, ใจมันไปก่อนนะ อย่ทิ้งร่างกายให้อยู่คู่กับร่างกายไปถึงจะเรียกว่ามีสติเพราะถ้าอยู่คู่กับร่างกายใจก็ไม่มันก็คิดเรื่องอื่นไม่ได้มันก็ต้องอยู่กับร่างกายไปคอยเฝ้าดูร่างกายไปว่ากําลังทําอะไรอยู่อันนี้ก็อีกวิธีหนึ่งวิธีนี้เรียกว่ากายกตาสติใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติถ้าสวดมวนุ่ก็ทํามานุสติ ใช้ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติถ้าใช้คําบริกรรมพุทธโธพุทธโธก็เรียกว่าพุทธานุสติอันนี้เป็นการกระทําก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิกันพอเรามีสติที่สามารถควบคุมความคิดได้ไม่ปล่อยให้คิดเลื่อยเปื่อยได้ถึงแม้ว่าจะคิดอยู่ก็คิดไม่มากคิดพอประมาณ ตอนนั้นใจของเราก็พร้อมที่จะมานั่งสมาธิกัน mm hmm. เอ า, านั่งสมาธิเราก็อาจจะใช้คำบริกรรมพุทธโธต่อเลยก็ได้ mm hmm. ใช้พุทธานุสติก็ได้หรือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนมาใช้อนาปานาสติก็ได้ mm hmm. มาดูลมหายใจเข้าออก mm hmm. แล้วแต่ความพอใจบางทีท่องอานาะท่อง ต้องบริกรรพุทธโธพุทธโธมามาทั้งวันแล้วรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อเวลานั่งสมาธิก็อยากจะหยุดแล้วก็มาเปลี่ยนมาดูดูลมหายใจแทนก็ได้ดูพุทดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมให้ดูเฉยเฉยให้ดูว่าตอนนี้ลมกำลังเข้าหรือกำลังออกลมสั้นหรือลมยาว ลมหยาบหรือ ล, ลมละเอียดลมหายไปก็ให้รู้ว่าหายไปแล้วก็อยู่กับความว่างไปอยู่อยู่กับการไม่มีลมไปแต่ยังอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ตรงนั้นไปแล้วเดี๋ยวใจมันก็จะเข้าสู่ความสงบต่อไปไม่ต้องกลัวว่าไม่เห็นลมแล้วจะตายไม่หายใจแล้วจะตาย ร่างกายยังหายใจอยู่แต่อาจจะหายใจนานๆครั้งหนึ่งลมละเอียดเข้าไปแผ่วเบาเข้าไปความรู้สึกที่มาสัมผัสที่ปลายจมกูกอาจจะไม่สามารถสัมผัสได้แต่ไม่ตายไม่รับประกันได้ไม่มีใครตายจากการนั่งสมาธิด้วยการดูลมหายใจมีแต่กิเลสตายมีแต่ความฟุ้งซ่านตายมีแต่ความเครียดตาย มีแต่ความทุกข์ตายแต่ร่างกายไม่ตายรับประกันได้ไม่ต้องกลัวถ้ารู้สึกว่าไม่มีลมหายใจก็ให้รู้เฉยๆไปหรือว่าตอนนี้ไม่มีลมหายใจก็รู้อยู่กับความว่างไปคอยดูว่าคิดหรือเปล่าวิตกกังวลอะไรขึ้นมาหรือเปล่าถ้าคิดปรุงแต่งก็ต้องหยุดทันทีบอกหยุดคิดอย่าคิดตอนนี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะคิดหยุดคุยกับตัวเอง ให้นั่งเฉยๆให้ดูเฉยๆไปอยู่กับความว่างไปแล้วเดี๋ยวไม่นานจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเวลารวมก็เหมือนกับถ้าดูลมหายใจก็เหมือนกับลมหายใจหายถอนถอนเฮือกออกไปเหมือนกับหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วจิตก็จะนิ่งสบายไม่ตายจิตเข้าสมาธิเหมือนปล่อยลม ปล่อยลก็เหมือนเหมือนคนตายหายใจเฮือกสุดท้ายไปไม่ต้องตกใจให้รู้เฉยๆใจกําลังเข้าสู่ความสงบกําลังปล่อยวางร่างกายไว้ชื่วเก่าไม่ไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายชั่วเก่าถ้าไปวิตกไปกลัวจิตจะถอนกออกมาทันทีจะเร่งออกมาทันทีก็จะต้องกลับเข้าไปใหม่ แล้วทุกครั้งถ้ามาถึงจุดนี้แล้วกลัวมันก็จะเข้าไปไม่ได้้ไม่ต้องกลัวให้รู้เฉยๆเหมือนกับที่เรารู้มาตั้งแต่ต้นรู้ลมก็รู้ไปเฉยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปจนกระทั่งลมหายใจเฮือกสุดท้ายหายไปก็ให้รู้ไปเท่านั้นเองเราจะได้เข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตติสันติปรังสุขขังนี่แหละคือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงลถแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงนี้ก็คือลถของความสงบของใจนี้เองซึ่งยังมีหลายระดับหลายขั้นด้วยกันสมาธินี่ยังมีหลายระดับด้วยกันสมาธิความสงบนี้ก็มีสองระดับระดับแรกเรียกว่าคณิกะสมาธิ ระดับที่สองเรียกว่าอปปนาสมาธิต่างกันตรงไหนสองสมาธินี้ต่างตรงที่เวลาที่อยู่ในสมาธินั้นสั้นหรือยาวถ้าเข้าไปปั๊บเดียวแล้วก็ถอนออกมานี้เรียกว่าคณิกะสมาธิซึ่งจะเป็นสมาธิของผู้ที่เริ่มฝึกขัดใหม่ๆผู้ที่เริ่มฝึกสมาธิใหม่ๆนี้จะมีสติไม่มาก อาจจะมีมากพอที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบแต่ไม่สามารถดึงให้อยู่ต่อไปได้เพราะจะถูกแรงของกิเลส ต, ตันหาความอยากผลักดันออกมาทันทีเนื่เบื้องต้นนี้เวลาปฏิบัติเวลาจิตสงบจิตรวมนี้จะรวมแป๊บเดียวแบบงูแลบลินหรือเหมือนฟ้าแลบแต่มันจะทำให้ผู้ที่ได้เข้าไปในสมาธินี้ ได้เห็นโลกอีกโลกหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้เห็นความสงบความสุขที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสมาธิแบบนี้เป็นเหมือนหนังตัวอย่างหรือเป็นสินค้าตัวอย่างเวลาที่เขามีสินค้าใหม่ๆออกมาแล้วอยากจะให้คนซื้อนี้ทดลองเขาก็ทําเป็นชิ้นเล็กๆให้มาใช้ลองใช้ดูก่อนลองใช้ดูว่าเป็นยังไง ดีไหมถูกใจไหมพอดีถูกใจทีนี้ก็จะได้ซื้อก้อนใหญ่ได้สั่งซื้อของของจริงได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าได้คณิกะสมาธิแล้วจะได้รู้ว่านัตถิสันติบาลังสุขขังนี่เป็นอย่างไรความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงลดแห่งทางที่เหนือกว่าลดทั้งปวงนี้เป็นอย่างไรพอรู้แล้วทีนี้ก็อยากจะ อยากจะสัมผัสให้มากขึ้นทีนี้ก็จะไม่อยากไปทำอะไรนะทีนี้อยากจะถือศีลแปดอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะ <S S ใครจะมาชวนไปเที่ยวไปกินไปดื่ม น, นี่ก็ไม่ไปแล้วเพราะว่ามันความสุขที่มันได้มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินความสุขที่ได้จากการเสพกลามจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นเหมือนดินนะแต่ความสุขที่ไดจากการ ทำใจให้สงบนี่เป็นเหมือนฟ้าเหมือนสวรรค์พอผู้ใดได้คณิกะสมาธิแล้วทีนี้ก็จะติดใจใจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายหรือขยัขยงต่อการรักษาศิลแปลจะยินดีที่จะรักษาศิแปลให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นจะหาเวลามาปฏิบัติให้มากขึ้น ถ้าทำงานทำการอยู่ก็อาจจะตัดการทำงานให้น้อยลงเพราะว่าผู้ที่ได้สัมผัสกับความสุขทางใจแล้วนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมากเพราะว่าความสุขทางใจนี้ไม่ต้องใช้เงินเป็นเครื่องมือในการซื้อหามาต้องมีเวลาปฏิบัติสติสมาธิ งั้นใครได้สัมผัสกับความสุขทางใจแล้วทีนี้ก็จะรู้ว่าไม่ต้องหาเงินมากเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ที่ต้องมีเงินมากเพราะว่าต้องหาเงินไปซื้อความสุขจากสิ่งต่างๆทางตาหูจมกูกเิ็นกายนั่นเองซื้อกระเป๋าซื้อนรองเท้าซื้อเสื้อผ้าซื้อของฟุม่มเฟือยซื้อของหรูหราซื้ออะไรต่ออะไรมีอะไร ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรกั น, ออนกออ็ต้องใช้เงินมากเมื่อต้องใช้เงินมากก็ต้องทำงานมากออแต่พอได้มาฝึกสมาธิได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบที่รู้แล้วว่าต้องการความสุขแบบนี้ออก็รู้ว่าความสุขแบบนี้ไม่ต้องการเงินทองแต่ต้องการเวลาเออนี่นเราก็มาปรับเวลาการทางานของเราให้น้อยลงไปได้ ในเมื่อเรารู้ว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องใช้เงินเหมือนเมื่อก่อนนี้แนละ้วเมื่อก่อนเคยใช้เงินเดือนละหมื่นพอมาปฏิบัติธรรมปั๊บนี้อาจจะเหลือแค่เดือนละสามพันก็ได้อามาจะสำหรับใช้กับค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นเช่นค่าอาหารเป็นต้นเท่านั้นเองแต่ค่าเที่ยวค่าดื่มค่าดูค่าฟังค่าซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆนี้ จะตัดไปหมดเลยไม่จำเป็นที่จะต้องซื้ออีกต่อไปก็จะเห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องหาเงินมากมายถ้าทำงานเองก็จะลดวันทำงานให้น้อยลงเช่นถ้าเราเป็นคนขายประกันหรือขายเครื่องสมอางก็ทำแค่วันสองวันก็ได้อีกห้าวันเอาเวลาไปปฏิบัติธรรมดีกว่าไปหา ไปหาธรรมดีกว่าไปหาความสุขทางใจดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้ทางร่างกายนั่นเองเรรับรับประกันได้ว่าถ้าลองได้สัมผัสกับคานิกาสมาธิแล้วทีนี้ก็อยากจะให้มันเป็นอปปนาสมาธิอยากจะให้มันสงบนานๆก็รู้ว่าต้องมีเวลาฝึกสติให้มากๆ เมื่อก่อนตอนเริ่มต้นฝึกเพียงวันเดียววันพระถ้าอยากจะให้มันเป็นอั ป, ปนาอาจจะต้องฝึกหลายวันอาทิตย์หนึ่งแทนที่จะปฏิบัติแค่วันเดียวหยุดทำงานวันเดียวก็อาจจะเปลี่ยนมาหยุดห้าวันเลยสลับกันทำงานแค่สองวันหรือหนึ่งวันก็พอแล้วก็เอาเวลามาฝึกสติมาสร้างสติสติก็ถือว่าเป็นเหมือนเงินเงินที่จะซื้อความสงบของใจ แทนที่จะหาสตางก็มาหาสติกันคนฉลาดก็หาสตินะคนโง่าหาสตางเพราะคนโง่ไม่รู้ว่าสตินี้ซื้อความสุขได้ดีกว่าสตางั้นเองสตางนี้ซื้อความสุขแบบยาแล้วก็เป็นความสุขที่เป็นพิษเป็นภัยเพราะเป็นความสุขแบบยาเสพติด เ, เงินทองที่เราไปซื้อของต่างๆที่ไปใช้กับการเที่ยวการกินการดื่มการฟังนี้ มันจะทำให้เราติดนะเป็นเหมือนยาเสพติดเวลาที่เราไม่ได้กินไม่ได้ดื่มไม่ได้เที่ยวไม่ได้ดูไม่ได้ฟังนี่เราจะรู้สึกหงุดหงิดนำคาญใจขึ้นมาทันทีเพราะเราติดเนี่ยติดกับการเที่ยวการกินการดืม่มพอไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวไม่ได้ดื่มทีนี้ก็รู้สึกอึอดอดัดอยู่บ้านก็เศร้าส้อยงอยเงาว้าเวออันนี้เป็นพิษเป็นภยัยต่อจิตใจโดยไม่รู้สึกตัว นี่คือสิ่งที่สตังซื้อให้กับเราซื้อความสุขแบบเดียวๆความสุขที่ได้จากการไปกินไปดื่มแต่พอกลับมาบ้านมันก็หายไปแล้วก็ทำให้เราอยากไปเที่ยวใหม่พอเราไม่ได้ไปเที่ยวขึ้นมาเราก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทันทีคนจลาจงรู้ว่า ก, การมีสตังนี้ ถ้าไม่ระมัดระวังถ้าใช้สตางไม่เป็นนี้อาจจะมาทำลายตัวเองได้มาทำร้ายตัวเองได้เช่นไปซื้อยาเสพติดเป็นต้นซื้อสิ่งเสพติดทั้งหลายมาเสพนั้นคนที่มีปัญญาคนที่ได้ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะเห็นสติมีคุณค่ากว่าสตางเมื่อก่อนนี้เห็นสตางมีคุณค่ากว่าสติแต่พอได้มาปฏิบัติธรรม ได้ทำจิตใจให้สงบมีความสุขจากการปฏิบัติจากการเจริญสติทีนี้ก็อยากจะหาสติมากกว่าหาสตางเนะพราะสตางนี้ไม่สามารถซื้อความสุขที่สติซื้อให้กับใจได้คือความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่แหละคือขั้นตอนของการปฏิบัติในการยกระดับจิตของพวกเราเนะี่ย เราก็เริ่มกันที่วันพระก่อนแต่ไม่ได้ไปจบที่วันพระเนี่ยวันพระเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองพ่าเมื่อเริ่มปฏิบัติไปแล้วเมื่อได้เห็นผลดีมากขึ้นไปตามลาดับก็จะเกิดความอยากเกิดฉันทะวิรยิยะจิตตะวิมังสาขึ้นมาที่เรียกว่าอิทธิบาทสี่ฉันทะคือความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น วิริยะก็จะมีความภาคเพียรมากขึ้นจิตตะก็ใจก็จะจดจ่ออยู่กับการศึกษาการปฏิบัติจะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้วีบังสาก็จะคิดแต่เรื่องปฏิบัติไม่ไปคิดถึงการไปเที่ยวที่นั่นไปชอปปิ้งที่นี่จะคิดอยู่ว่าจะไปปฏิบัติได้เมื่อไหร่วันไหนเท่านั้นเอง อันนี้จะเกิดขึ้นถ้าเราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแม้เป็นเพียงแต่ชัว่วงรูแลบลิ้นกระตางแบบฟ้าแลบกระตามมันมีอำนาจมากความสงบนี่ได้สัมผัสทีเดียวเท่านั้นทีนี้ชีวิตจ ะ, จะพลิกผันเลยจากจากเป็นคนที่ชอบสังออกสังคมนี่จะกลายเป็นคนไม่อยากจะออกสังคมอีกต่อไปจนเพื่อนฝูงนี่อาจจะคิดว่าเป็นบ้าหรือเปล่า เมื่อก่อนนี้เฮฮาปาร์ตี้ได้ทุกวันในเดี๋ยวนี้ไม่เอาใครเลยใครมาชวนไปไหนไม่ไปเลยจะไปวัดอย่างเดียวเข <c oughs> าเรียกว่าเป็นบ้าใ น, ในสายตาคนทั้งโลกเขาคิดว่าคนที่ไปวัด น, นี้เป็นบ้ากันเพราะเขาไม่รู้ว่าที่วัด น, นี้มีของวิเศษกว่าที่เขามีอยู่กันนั่นเองแต่คนที่ได้ไปวัดแล้วได้สัมผัสกับสิ่งวิเศษที่เกิดขึ้นในใจของเรานี้ย เขารู้ว่าเขาไม่บ้าต่อให้ใครมาว่าเขาบ้าเขาก็ไม่เถียงขี้เกียจเถียงเหมือนกับเถียงกับคนตาบอดคนตาบอดมันก็พูดไปตามภาษาของคนตาบอดคนตาดีจะไปเถียงคนตาบอดได้ไหคนตาบอดว่าตรงนี้ไม่มีอะไรไม่มีคนไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรคนตาดีเห็นว่ามีคนมีต้นไม้ก็ขี้เกียจไปเถียงเถียงมันก็เหนื่อยปเปล่า อย่างไรมันก็ไม่เชื่อเพราะมันเห็นแต่ว่าเพราะตามันมองไม่เห็นอะไรมันก็ว่าไม่มีอะไรแนละ้วนี่อันใดคนที่ไม่เคยสัมผัสกับรถแห่งธรรมนี้จะไม่รู้ว่ารถแห่งธรรมนั้นเป็นอย่างไง <โ warranty. S 1> ก็จะมองคนที่ไปสัมผัสกับรถแห่งธรรมว่าเป็นเหมือนคนบ้าไปเมื่อก่อนนี้เคยเป็นเหมือนเขาเคยชอบร่วมสังคมกันทํากิจกรรมอะไรร่วมกันอยู่ดีๆวันวันหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งไม่อยากจะร่วม กิจกรรมร่วมกันแล้วก็ต้องคิดว่าเป็นบ้างท่านั้นเองชอไปอยู่คนเดียวชอบไปอยู่ที่เงียบๆซึ่งเขาพวกเขาไม่เคยไปอยู่กันอยู่ไม่ได้พอไปอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็เหงาเดี๋ยวก็ว้าเวยขึ้นมาเดี๋ยวก็เครียดขึ้นมาเท่านี้อันนี้คือระดับของพรหมถ้าเราได้สมาธินี้เราเรียกว่าจิตขึ้นสู่ระดับของพรหม ซึ่งมีแบ่งเป็นสองระดับมีรูปประพรมกับอรูปประพรมก็คือแบ่งความสุขความละเอียดของจิตนี้เท่านั้นเองว่ามากน้อยต่างกันเหมือนกับสวรรค์ชั้นเทพที่แบ่งความสุขเป็นหชั้นด้วยกันสวรรค์ชั้นพรหมก็แบ่งเป็นสองชั้นใหญ่ๆคือมีแล้วสองชั้นใหญ่ๆนี้ก็แบ่งเป็นชั้นละเอียดขึ้นไปอีก เท่าที่ดูในตลาลํารารู้สึกว่าจะแบ่งเป็นสิบหกชั้นด้วยกันเนี่สวรรค์ชั้นพรหมนี้จะแบ่งเป็นถึงสิบหกชั้นด้วยกันแต่ชั้นใหญ่ๆก็มีสองชั้นคือชั้นรูปประรมกับอรูปประพรมรูปประพร ม, รปปรพรมก็คือสําหรับผู้ที่ได้รูปปัจจานรูปปัจจานก็มีอยู่สี่ระดับรูปปัจจานหนึ่งสองสามสี่เวลาที่เราเข้าคณิกะสมาธิหรืออัปปนาสมาธินี้ เราเข้าสู่ระดับฌานสี่รูปฌปานสี่แล้วถ้าเราอยากจะขึ้นสูงกว่านั้นจากฌานสี่้วก็นั่งสมาธิต่อแล้วก็เร่งเพ่งจิตต่อไปให้สงบมากขึ้น <c oughs> ก็จะขึ้นสู่ระดับอรูปฌปานขึ้นไปอีกสี่สี่ระดับสี่ชั้นด้วยกันอรูปฌานก็มีอยู่สี่สี่ชั้นอรูปฌานหนึ่งสองสามสี่ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเป็นระดับของจิตที่ผู้ปฏิบัติสามารถที่จะยกระดับให้สูงขึ้นไปได้ตามลำดับอันนี้เป็นระดับที่ยังเป็นระดับที่เจริญแล้วยังต้องเสื่อมอเพราะยังอยู่ในอยู่ภายใต้กฎของตายรักอยู่คืออันนี้จังทุกขังอนัตตา ผู้ที่ได้ยกระดับจิตของตนไปสู่ระดับรูปประรมหรืออรูปประรมแล้วแล้วต่อมาไม่นานต่อมาเหตุที่พาให้จิตไปเป็นรูปประพรมหรืออรูปประพรมนี้หมดลงคือสติสติที่ส่งจิตให้เข้าสมาธินี้เสื่อมได้พอสติหมดกำลังจิตก็จะเสื่อมลงก็จะถอนออกจากสมาธิมามาสู่ระดับเทพ แล้วจากระดับเทพก็จะเสื่อมลงมาสู่ระดับมนุษย์ใหม่ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆตามตามกลังของบุญที่เราได้ทำกันแล้วบุญที่ส่งไปพอหมดกําลังเหมือนกับ น, น, น, น้ำมันรถยนต์พอน้ามันรถยนต์หมดรถก็ต้องไปเข้าสถานีบริการไปเติมน้ามันใหม่ ใจที่ได้สร้างบุญเติมบุญไว้เวลาร่างกายตายไปก็จะได้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตนเองได้สร้างเอาไว้ถ้าได้สร้างแค่ชั้นเทพก็ไปแค่ชั้นเทพถ้าได้สร้างชั้นรูปประภมก็ไปสู่ชั้นรูปประภมถ้าได้สร้างชั้นอรูปประภมก็ไปสู่ชั้นอรูปประภมแต่พอบุญที่ส่งขึ้นไปหมดกำลังก็ต้องเลื่อนลงมา จากรูปปัทภม์ลงอรูปปัทภม์ลงมาเป็นรูปปัทภม์จากอารูปปัทภม์ลงมาเป็นเทตจากเทพก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาสร้างบุญกันใหม่แต่การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันไม่ดีตรงที่ว่ามันมีทุกข์นะพวกเราทุกคนนี้เขาไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ทุกข์กันมีทุกข์ให้เกือบทุกวันเลยก็ว่าได้ทุกข์มากทุกข์น้อยเท่านั้นเองแต่ทุกข์ใหญ่ๆที่เราเราอยู่ยังมี คือทุกที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้าเราเห็นว่าการที่ยังต้องกลับมาเกิดนี้ยังเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติเราก็ยังมีละอีกระดับหนึ่งที่เราสามารถยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นได้ <Yeah. S 1> คือให้ยกระดับขึ้นไปเพื่อไม่ให้กลับมาเกิดเลย ระดับนี้เราเรียกว่าระดับของพระอริยเจ้า<ม>ของพระสาวกของพระพุทธเจ้าและของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย <c oughs> ถ้าอยากจะขึ้นไปสู่ระดับของพระสาวกของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้าเราก็ต้องปฏิบัติเพิ่มอีกข้อนึง<ม>คือวิปัสสนาภาวนาหรือปัญญา<ม><ม>คือเราต้องสอนใจให้เห็นความจริงของ สิ่งต่างๆที่ใจเรายังไปเกี่ยวข้องอยู่ไม่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับบุญระดับเทพบุญระดับพรมก็ตามต้องให้เห็นว่าบุญเหล่านี้ยังเป็นอธิจังอยู่ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ทำให้มันเที่ยงไม่ได้เมืม่อทำให้มันเที่ยงไม่ได้เวลามันเสื่อมมันก็จะทำให้เราทุกข์กัน<ม>ฉนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้อง ไม่ไม่ไปเสบุญเหล่านี้หยุดเสบพอเราไดอารูปฌานได้รูปฌานแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะขึ้นไปสูงกว่านี้เราต้องไปสู่ระดับพระอริยเจ้าเราก็ต้องไปศึกษาสิ่งต่างๆที่ใจเราไปยึดไปติดอยู่ยังติดยังยึดยังติดอยู่คือร่างกายของเราคือขันห้า เราก็ต้องศึกษาให้เห็นด้วยปัญญาว่าขันห้านี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์างกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ทำให้มันเที่ยงไม่ได้ทำให้ร่างกายสวยไม่สั่งบาลไม่รู้โวยไม่ได้ทำให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้พอทำไม่ได้ใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมา เพราะใจของเราอยากให้มันเที่ยงนั่นเองอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าจะทําให้ใจเราไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายกับขันธ์หเราก็ต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปห้ามมันไม่ได้เมื่อไปห้ามมันไม่ได้ก็อย่าไปอยากเท่านั้นเองอย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราไม่อยากไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกาย แล้วเราก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบแทนพอเราได้ความสุขจากความสงบเราก็เลิกใช้ร่างกายได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังไปติดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมอยู่เพราะเราไปติดกับความสงบที่เราใช้แทนการหาความสุขผ่านทางร่างกาย พอเราถึงจุดนั้นแล้วเราก็ต้องหยุดการหาความสุขจากการทำใจให้สงบเพราะยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ถ้าเรายังติดอยู่กับความสงบเวลาจิตไม่สงบเราจะทุกข์เพราะนั้นเวลาจิตสงบหรือไม่สงบนี้เราต้องทำใจให้เฉยเฉยอย่าไปอยากท่านั้นเองจิตสงบ ก, ก็ได้ไม่สงบ ก, ก็ได้อยู่กับมันได้ทั้งสองรูปแบบ มันก็จะทําทให้เราพ้นจากการติดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรมได้ออกจากสังสารวัฏออกจากตายภพได้อย่างเต็มที่ขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามของพระอริยเจ้านี้ทําให้ออกจากการมภพแต่ยังไปติดอยู่ที่รูปภพกับอรูปภพอยู่ยังยังไปติดความสุขของรูปประชานกับรูปประชานอยู่ถ้าอยากจะไม่ติดก็ต้องหยุดเสพรูปประชานอรูปประชาน เวลาอยากจะทําใจให้สงบก็ไม่ต้องทําเวลาใจไม่สงบอย่ากให้มสงบก็หยุดความอยากเท่านั้นเองพอหยุดความอยากใจก็จะไม่ติดกับรูปประชาญกับอรูประชานพอไม่ติดใจก็จะหลุดออกจากรูปภพกับอรูปภพได้ออกจากไปพบได้สมบูรณ์เบื้องต้นก็ออกจากการมาพบก่อนออกจากการมาพบแล้วก็ไปอยู่ที่รูปภพหรืออรูปภพแล้วพอตัด ความอยากในรูปภพอรูปภพได้ก็ออกไปสู่พระนิพพานทันทีเอาจากตายภพไปทันทีเวลาเอาจากตายภพนี้ใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาทันทีเพราะใจตัดความอยากทั้งสามได้หมดคือความอยากในการ ม, มาพบความอยากในรูปภพและความอยากในอรูปภพกามตัณหาคือความอยากในการ ม, มาพบภาะวะตัณหาคือความอยากในรูปภพ วิภาวะทันหาคือความอยากในอรูปภพพอตัดความอยากทั้งสามนี้ได้หมดใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาหลุดออกจากการติดอยู่กับตายภพทันทีหยุดหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในตายภพทันทีไม่ต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจก็จะเป็นใจที่อิสระปราศจากความทุกข์ เป็นใจที่มีแต่บรลมบสุขอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าปรมังสุขถังนี่คือระดับสูงสุด ข, ของการยกระดับของจิตใจของพวกเราให้ขึ้นไประดับนี้เราเรียกว่าระดับของพาอาาระอรหันตสาวกของพาอาาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและของพระปเจกพุทธเจ้านี่คือระดับที่สูงสุด ข, ของระดับของจิตใจ ที่พวกเราทุกคนนี้สามารถไปกันได้ทุกคนไม่ยกเว้นว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นขาวละวานอันนี้ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนได้หรือเปล่าละอบายามุกได้หรือเปล่าละบาปได้หรือเปล่าทำบุญทำทานได้หรือเปล่า รักษาศีลแปดได้หรือเปล่าศีลสิบได้หรือเปล่าศีลสองร้อยิบเจ็ดได้หรือเปล่านั่งสมาธิทําใจให้สงบได้หรือเปล่าเจริญสติได้หรือเปล่าสอนใจให้ฉลาดให้เห็นไตรลักษ์ได้หรือเปล่าท่านั้นเองถ้าเห็นได้แล้วก็ไปได้ทุกคนในสมัยพระพุทธกาลนี้คนไปถึงนิพพานนี้มีทุกชนิดจะว่าได้คนรวยก็มีคนจนก็มี เจ้านายก็มีลูกน้องก็มีบางคนเป็นเจ้านายบางคนเป็นลูกน้องมาบวชพร้อมกันแล้วก็ไปถึงนิพพานพร้อมกันก็มีบางคนเป็นผู้หญิงบางคนเป็นผู้ชายบางคนก็ไม่ได้บวชก็มีบวชก็มีบางคนก็เป็นเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีคนแก่ก็มีมันไม่ได้อยู่ที่สถานภาพของร่างกายมันอยู่ที่กำลังของใจ ว่าสามารถปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนอย่าอ้างว่าเราเป็นนั่น <c oughs> เป็นนี่เราปฏิบัติไม่ได้แม้แต่คนพิการก็ปฏิบัติได้แม้แต่คนป่วยนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลก็ปฏิบัติได้เพราะการปฏิบัติไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือถ้ามีก็ใช้ได้แต่ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้ใจใช้สติ นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลก็พุทโธพุทโธได้ทําสมาธิได้เวลาป่วยนี่รักษาศีลได้ง่ายกว่าเวลาไม่ป่วยซิเวลาป่วยนี่กินเหล้าก็กินไม่ได้ไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงก็ไม่ได้ต้องนอนอยู่บนเตียงเวลาป่วยนี่ดีนะรักษาศีลง่ายกว่าเวลาไม่ป่วยเวลาภาวนาก็ง่ายนอนภาวนาเลยไม่ต้องมานั่งภาวนาพุทโธพุทโธเข้าสมาธิเข้าฌาน พิจณาตายร้างอยู่บนเตียงได้หมดยังไม่มีอะไรจะมาขวางการปฏิบัติของเราได้นอกจากความมิจฉาทิฏฐิของเราเท่านั้นเองความเห็นผิดของเราที่ไปคิดว่าเราไม่ได้เป็นนักบวชเราเป็นผู้หญิงเราเป็นเด็กหรือเราเป็นคนแก่เป็นคนป่วยคนพิการหรือเราเป็นคนยากจนทำบุญทำทานไม่ได้ไม่มีเงินทำบุญทำทานอันนี้เป็นความเข้าใจผิดท่งนั้น ถ้าศึกษาจริงๆแล้วทุกคนทําได้หมดนี่แหละคือวันพระที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ให้พวกเราได้มายกระดับจิตใจกันก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญของจิตใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวะหาปุราตาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัทิตังตุมหังคิดเปเมวะสนิจจตตสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ พระโยทถาสภิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินสสตุมาเตภวะตวันตรายอสุขีทีคายุโกภะอภิวาทนาสีิตษะนิจจังุทธาปจายีโนจตารูธรมมวะทานติอายุวันโอสุขัง อ, ล, อลำลาลำลำลำลำลำลำลำปำลำลำลำลำลำลำลาลำลำลำลำลำลำลำลำลำลำลำลำลำลำลำลำลวลำลำลำลำลำลำลำลำเำลำลำลำเำลำะำวำลี่ ส, ดสดลดลำลำวำลำลำลำลำลลำลำล้ลำลำลำลเลำลำลำลำลำลำลำกำลำกำลำลำลำลำอำลำละลำลัลำลำลำลำลำาำลำลำลำลำลำลำลำลำลำลำลำลำ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่เจ้าค่ะทางเฟห้าร้อยสี่สิบแปดยูทูบสองร้อยสิบเก้าวิทยออนไลน์สิบสามซูมหกผู้รับฟังหน้ากุฏิหกสิบแปดรวม ท, ทั้งเส้นแปดร้อยห้าสิบสี่ท่านเจ้าค่ะการอยากจะถามก็เชิญถามได้เลย ค่ะโดยเฉพาะจ้าค้าพอดีลูกไ ป, ปไปวิปัสนามาสิบวันแต่ว่าที่ปฏิบัติเนี่ยค่ะลูกอยากจะทราบหลักในการปฏิบัติก็คือลูกนั่งสมาธิเอ่อเป็นชั่วโมงหนึ่งกับแล้วหลังจากนั้นวิปัสนาชั่วโมงหนึ่งถูกต้องไหมคะถ้าเบื้องต้นนี้คิดว่าวิปัสนาน้อยหน่อยหรือ่าให้สมาธิไม่มากก่อน ถ้ายั ง, ถ, ถ, ยงถ้ายังไม่ได้สมาธิจิตยังไม่รวมแทนที่จะออกจากสมาธิมาแทนที่จะไปพิจารณาทางปัญญาก็เจริญสติต่อนีือเาเจริญสติพุโทโธพุโทโธหยุดความคิดไว้ก่อนไว้ให้ได้ให้จิตรวมก่อนนัดนี้ต่อไปค่อยสลับระหว่างสมาธิกับปัญ ญ, ญาได้แต่เบื้องต้นถ้ายังไม่ได้จิตยังไม่ได้รวมยังไม่ได้อนิกะาเลือกัปนาสมาธิต้องพยายามสร้างสมาธิขึ้นมาก่อน เวลาไม่ได้นั่งเวลาเดินจงกรมก็พุทโธพุทโธไปสวดบนไปอ<แ>คอยเฝ้าดูว่าเรากำลังทำอะไรไปอย่าปล่อยให้คิด อ, <แ>อาจจะแบ่งให้คิดทางปัญญาได้บ้างว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่เที่ยงเป็นอนินจจังทุกขังอนัตตาเพื่ อ, อดีสลับกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ควรจะหยุดคิดกันดีกว่าพอคิดแล้วมันฟุ้งเดี๋ยวมันจะหยุดไม่ได้เวลาจะนั่งสมาธิมัน นั่งไม่ได้เห็นเบื้องต้นนี้ต้องหัดหยุดคิดให้ได้ก่อนหยุดคิดให้ได้ก่อนใช่ัหมจ๊ะค่ะอย่า้พ่งไปทางปัญญาด้วไม่จำเป็นแล้วถ้าเป็นทางถ้าถ้าพอหยุดคิดให้ได้แล้วหลังจากนั้นเออคือลูกมีอาการวิปัสนาแล้วเห็นหน้าตัวเองเป็นกโลค่ะก็เห็นมันก็ปล่อยทิ้งไปเลยใช่ไหมจ๊ะคะเห็นว่าได้อะหรือเปล่าจากการเนี่ยไม่ได้เลย ต้องเห็นแล้วมันต้องไม่กลัวต่อไปมันก็ต้องเป็นกระดูลกนะมันก็จะทราบส่งถ้าเห็นแล้วมันไม่กลัวตายก็ก็ดีอล้วถ้าเห็นเห็นคนอื่นเห็นแฟนเป็นกระโหลกก็จะได้เบื่อแฟนอืดั่นั้นไม่อยากจะนอนกับใครว่านอนกับกระดูกนอนกับกระโหลกนะคะขอบคุณค่ะท่านก็ต้องเห็นแบบนั้นถ้าเห็นแล้วไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่เห็นไปทำไอือเห็นเพื่อหยุดกิเลสหยุดการมาราคะความอยากจะร่วมหลับนอนกับคนอื่น เป็นโสดเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อก็ดีถ้าเป็นโสดก็ก็ต้องเบื่อหน่ายร่างกายมันใช่เบื่อหน่ายมากเลยเจ้าค่ะร่างกายก็ทรุดโมดีๆนี่เองแต่มันจะทําให้เราแบบว่าเหมือนอยู่กับคนอื่นเขาไม่ได้ <c oughs> นะก็ <c oughs> เรารู้สึกว่าโปร่งกับชีวิตก็ก <c oughs> ็ <c oughs> อยู่คนเดียวไงก็อยู่คนเดียวดีที่สุดนะอยู่คนเดียวแล้วไม่ชุกข์กคนอื่นขอบคุณเจ้าค่ะโอเคต่อไปคุณองนี่ต่อ การนมันสะจารลบคนถามอาจารย์นะคะคือว่าเมื่อก่อนตอนหัดนั่งสมาธิใหม่ๆได้ไม่กี่นาทีห้านาทีสิบนาทีแต่มาช่วงหลังเนี่ยเริ่มตั้งใจทำคือตั้งเวลาเลยอะคะ่ะทุกครั้งทุกคืนก่อนนอนคืนละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงโดยการตั้งนาฬิกาค่ะแล้วพอหลังๆมาเนี่ยก็จะปรับเป็นสี่สิบนาที แต่พอเป็น40นาทีแล้วมันเริ่มช่วงมาช่วงหลังๆค่ะการนั่งแล้วมันรู้สึกถึงเวทนามันจะทรมานมากเลยแต่ก็คือตั้งใจไว้อะถ้า40นาทีก็จะไม่ยอมลุกเหมือนกันจนกว่านาฬิกาจะปกแล้วพอออกจากสมาธิปุ๊บมันหายไปเดี๋ยวนั้นกําลังคิดว่าจะเลิกตั้งนาฬิกาปกดีไหมคะนั่งตอบตอบรงไปเรื่อยๆเลยไหมตั้งสติดีกว่าตั้งนาฬิกา ถ้ามีสติก็นั่งได้นานเองพยายามพุโทโธพุทโธไปเวลามันอยากจะเลิกก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธต้องอาการสามสิบสองไปก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกต้องไปให้มันมีงานทําแล้วมันเพลินพอมันเพลิแลนลแล้วมันก็นั่งต่อได้ยังอย่าไปตั้งอย่าไปตั้งนาฬิกาตั้งสติดีกว่าเห็นตั้งนาฬิกาคอยจะลืมตาดูว่าถึงเวลายัางถึงเวลายัางไมยอย่างวันนี้นั่งเมื่อเช้าไปนั่งบนบนดบ่ะค่ะพระอาจารย์เอ มันทรมานมากเลยนะคะแต่แตทรมานเพราะมันไม่มีสติแล้วไงเราต้องพุทโธแล้วไม่จะหนูนึกว่าเมื่อไรเสียงนาฬิกาจะดังน่าจะใชว่าไปนั่งรอนาฬิกาไม่นั่งไม่ไม่ไปหาสติสติก็พุทโธพุทโธไปไม่สนใจมันจะเจ็บมันจะเจ็บกูจะนั่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพุทโธจะขอขาดใจตายไปกับพุทโธเนี่ยต้องอย่างั้นดีกว่าค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะเลิกตั้งนาฬิกาแล้วนั่งไปเรื่อยๆตามที่จะนั่งเลยใช่ค่ะ แต่ก็ดูได้ก่อนนั่งกี่โมงแล้วพอนั่งเสร็จออกมาค่อยดูอีกทีว่านั่งไปได้เท่าไหร่เดี๋ยวข้างหลังมีคนถามอีกกลาวมนัสกา ร, รพระอาจารย์เจ้าค่ะจะถามว่าการเดินจงกรมนี้จาเป็นต้องเดินไปแล้วก็เดินกลับหรือว่าเราเดินรอบบ้านนี้ได้ไหมคะได้เดินยังไงก็ได้แต่ถ้ามันมีที่ทางเดินเป็นที่เป็นทางก็เดินกลับไปกลับมา พอเดินรอบบ้านบางทีเดี๋ยวมันไปเห็นหนู่นเห็นนี่นะมันอาจจะมันสติมันจะเผลอไปตามสิ่งที่เราเห็นเดินไปเห็นดอกไม้เดี๋ยวเห็นหนั่นู่นเห็นหนี้นี่เดี๋ยวคิดปรุงแต่งเดี๋ยวจะแต่งต้นไม้ดีไหมจะแต่ถ้าเดินแบบไม่มีอะไรมาคอยอดึงดึงความสนใจเราได้ดีกว่าทําทางจกงกรมไว้ที่ที่ในป่านี่ที่ไหนที่ไม่มีอะไรมาให้เราต้องคิดเดินกลับไปกลับมา แต่ถ้าไม่มีที่ก็เดินได้เดินรอบเจดีย์รอกโอบสถ์รอดอะไรก็เดินได้แต่ถามว่าดีไหมไม่ดีเท่ากับมีที่ทางเดินของเราเองที่เนี่ยจนใหญ่พระปฏิบัติก็าหาที่ทางเดินในป่าในสวนในในไร่ในที่ไม่มีคนไม่มีอะไรมาคอยอมามาดึงใจให้ออกไปแล้วจําเป็นต้องเดินหันขวาไหมคะ ก็รธรรมดาก็หันขวากันไปถึงสุดทางก็หันทางได้ขวาแต่ถ้าเราถนัดซ้ายหันซ้ายก็ได้ไม่มีไม่มีขนตายตัวไม่ไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกก็เหมือนเมืองหน้าเขาขับรถทางด้านขวาเราขับรถทางด้านซ้ายมันก็แล้วแต่จะกําหนดกันว่าจะเอาทางไหนส่วนใหญ่ของเราเราต้องจะหันด้านขวาเราให้กับพระพุทธรูปเช่นเราเดินรอบโบสถ์นี่พระพุทธรูปต้องอยู่ทางด้านขวาของมือเราทางด้านขวาเราเพราะเราทาง อันนี้เป็นธรรมเนียมของชาวอินเดียสมัยพุทธกาลแสดงความเคารพจะให้ผู้ที่เราเคารพนี้อยู่ด้านขวามือของเรา mm hmm. ในเวลาเดินต้องเดินอ้อมเดินอ้อมให้หันขวาอยู่ตลอดเวลาให้กับก็เลยอาจจะเป็นที่มาของการเดินจงกรมอันนี้ไม่ไม่ได้เรียนไม่มีอาจารย์คนไหนบอกว่าต้องหันขวาหรือหันซ้ายนะถ้าที่ผ่านมาคิดว่าได้ทั้งนั้นหันขวาก็ได้หันซ้ายก็ได้ไม่หันก็ได้ บางทีจําเป็นทางเดินมันสั้นเดินใส่ก็เดินถอยหลังต่อเพราะถ้าหันไปหันมามันเวียนศีรษะบ่อยบางทีเราเดินในห้องนี้มันที่มันแคบใชแต่เราอยากจะเดินแล้วก็เดินไปพอพอสุดทางเราก็เดินถอยหลังก็ไม่ต้องหันไม่ต้องหันซ้ายเมื่องหันขวาแต่ต้องเอามือคอยยันไว้ข้างหลังหน่อยนะเดี๋ยวเวลาเดินไปถึงข้างหลังจะได้รู้ว่าถึงฝาเร็วงเดี๋ยวเดินชนฝาอีก อาจารย์คะแล้วอย่างเราเดินจงกรมได้สักพักรู้สึกว่ามันเบาตัวมันเบามากเลยสักพักเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมอีกอันนี้ก็นคก็แสดงว่าเราเราไม่มีสติแล้วมันก็มันก็หายเบาเราก็ต้องกลับมามีสติต่อพอเบาแล้วเราก็หยุดดูดูเท้าดูพุทโธมันก็หายไปแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเคยดูอะไรก็ดูไปเรื่อยดูเท้าก็ดูเท้าไปพุทโธก็พุทโธไปใจจะเบาไม่เบาก็อย่าหยุด หมายถึงถ้าเบานี่ก็ไม่เป็นไรก็เลยเดินต่อไปเรื่อยๆ<อ>ไม่ต้องเดินไปจนกระทั่งเรารู้สึกเดินไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนมานั่งแทน uh huh. ถ้าเราปฏิบัติจริงๆเราก็ไม่ทาไม่ไปทไรอยงอนะื่นแล้วไม่เดินก็นั่งนี่แหละจะเอาจิตรวมเข้าไปในสมาธิให้ได้เป้าหมายของเรางานของเราคือการรวมจิตรวมจิตให้เป็นคณิ ก, กะเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมา จังเขาเห็นอย่างเดิแล้วมันบอกนี่มันหมายความว่าเราไม่มีสติใช่ไหมคะเดินอยู่ดี่มันเบาขึ้นมาแบบไม่เราเบาแสดงเป็นผลของการมีสติไงเราใจไม่คิดแล้วมันเลยเบามาไปคิดแล้วมันหนักเนี่ยคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงเรื่องเงินนี้หนักอกหนักใจขึ้นมาเดือนนี้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟวะเนี่พอไม่คิดปั๊บมันก็เบาขึ้นมาในเวลาเวลาเบาเรื่อดีนะอีกข้อนึงค่ะคือเราดูลมหายใจ กำหนดรู้ที่ปลายจมูกของหายใ จ, ขจเขาอาจจะดูลมผ่านนะคะเสร็จแล้วสักพักนึงมันไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่ามันมีลมหายใจแต่ว่าเราใช้พุทโธต่อ น, นี้ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ดูเฉยๆไปไม่ต้องดูลมมันก็ดูที่ปลายจมูกต่อไปดูตรง น, นั้นไม่มีลมนะค่ะไม่มีลมเลยแล้วก็เรนเราก็ เ, เอาพุทโธดีกว่าก็ไม่ต้องเอาพุทโธหรอกพุทโธมันดูเฉยๆไปไม่ต้องเอาพุทโธ นอกจากถ้ามันคิดก็ค่อยใช้พุทโธหยุดมันถ้ามันไม่คิดก็ดูเฉยๆไปถ้ามันว่างก็ดูมันเฉยๆไปค่ะขอบคุณค่ะค่นะนมัสการค่ะหลวงพ่อคือเอสหนูงสงสัยอะค่ะเวลาหนูนสวดมนต์ถ้าเกิดหนูดูหนังสือหรือลื ม, ลมตาสวดแล้วกันหนูก็จะสวดปกติแต่ถ้าหลับตาปุ๊บเช่นหนูสวดพาหุงเนี่ยหนูจะเห็นเป็นตัวหนังสือขึ้นมา ขึ้นขึ้นขึ้นจำเป็นไหมอยาก อ, อ๋อถ้ามันขึ้นมาเองก็ปล่อยมันขึ้นไปก็สังเกตุของเราจําได้ก็แล้วกันค่ะว่าเราสวดได้ก็แล้วกันค่ะส่วนมันจะขึ้นมาไม่ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นของแถมไปก็แล้วกันบางทีดูหนังบางทีก็มีแถมมีตัวอักษรมาแปลให้เราฟังให้เราอ่านค่ะแต่เราไม่ต้องไปสนใจก็ได้ให้เราสนใจอยู่กับการสวดของเราไปก็แล้วกัน แต่มันก็เป็นบ่อยๆทุกครั้งก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นค่ะพ่อสัตย์ขอบคุณค่ะอย่าหยุดสวยก็แล้วกันสวดไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสบายจะเบาเราก็นั่งสมาธิต่อดูลมหายใจต่อคําถามต่อไปจากคุณไอซ์เบอร์รีเจ้าค่ะมีสามคำถามขออนุญาตอ่านรวมกันทั้งหมดเจ้าค่ ะ, ะทีลคะลคำถาทีลนะคาถามเนี่กล่านมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่า ช่วงนี้หนูนั่งสมาธิให้ความรู้สึกอยู่ทั่วรวมเป็นหนึ่งเดียวแต่หนูมักจะรู้สึกเหมือนโดนเข็มจิ้มไม่กระโดนมดกัดหนูจะสะดุ้งตกใจบางทีลืมตาไม่ทราบว่าหนูควรแก้ไขอย่างไรคะไม่รู้ว่าหนูนั่งวิธีไหนรู้ทั่วตัวเหรอใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ควรจะรู้ทั่วตัวเราให้รู้อยู่จุดเดียว ถ้าจะทาจิตให้สงบเนี่ยต้องอยู่อยู่กับเรื่องเดียวพุโทโธก็ได้ดูลมหายใจก็ อ, อก็ได้อย่าปล่อยให้จิตวิ่งไปรอกตัวอันนี้มันก็จะไม่มีวันสงบได้แล้วถ้าอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปเรื่อยเื่อยจะรู้สึกเจ็บทางนั้นปวดทางนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันเป็นมายามันเป็นของหลอกคำถามที่สองค่ะ บางทีหนูก็ตัวโยกไปข้างหลังเคยได้ยินว่าเป็นพอสติอ่อนหนูก็ว่ามีสติรู้ตัวรู้ตัวทั่วกายแต่ไม่สามารถควบคุมไม่ให้โยกเยกนอกจากบังคับกายถอนสมาธิลงมาเล็กนึนงแต่สักพักก็เป็นใหม่เจ้าค่ะก็เพราะว่าเราไม่อยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมลมมันไปทั่วตัวสติมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงพอดัน้ให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวก็อยู่กับ ลมหายใจอย่างเดียวแล้วสติจะมีกําลังมากกว่าคําถามที่สมเจ้าค่ะบางทีหนูก็อยู่ในสมาธิดีอยู่อยู่ๆร่างกายก็หายออกหายใจออกออกมาเฮือกใหญ่แล้วก็สงบนิ่งเข้าที่เดิมแล้วก็มีอาการหายใจเฮือกใหม่แล้วก็สงบนิ่งหนูควรแก้ไข ย, ยังไงคะไม่ต้องแก้ไขก็ดูดูลมไปเรื่อยๆดูจิตไปเรื่อยๆตอนมันสงบก็สงบถ้าไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบ ก็ต้องพูดโธต่อไปดูรมต่อไปคำถามต่อไปจากคุณปริชาติค่ะผู้ที่เคยทําแทง้งและเคยว่าพ่อแม่จะมีโอกาสทําให้แจ้งเพื่อพระนิพพานได้ไหมเจ้าคะมีทุกคนมีโอกาสกลับใจได้เปลี่ยนเปลนตัวได้องค์ุริมาณฆ่าคนต้องเก้ายเก้าสิ้าคนยังเป็นพระอรหันต์ได้มันอยู่ที่เราปรับปรับใจได้เปล่ากลับใจได้เปล่าเคยชั่วกลับมา ทำดีได้หรือเปล่าถ้าทำดีได้เดี๋ยวก็ไปได้คำถามต่อไปจากคุณอรุณค่ะนั่งสมาธิคอยแต่เห็นเปรตขอความแมขอความแม่ตาแนะนำเจ้าค่ะก็ไม่ดูลมไม่พุโทโธมันก็เห็นอย่าไปสนใจแต่นั่งสมาธิต้องมีอะไรผูกใจไว้อย่าปล่อยให้ใจมันไปไ ป, ไปซิกซอกแซกไปเห็นหนู่นเห็นนี่ให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือดูลมหายใจไป ถึงงงนนน่าจจะเเเหห็็็กกไไมม้ปอปปสใียยัคำถามจากคุณดวงเดือนกับเรียนถามเจ้าค่ะเวลาพระยะถาสพีโยมอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้พระก็ดีพรมก็ดีเทวดาก็ดีบุพการีผู้มีพระคุณทั้งญาติและไม่ใช่ญาติตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรเช้โรคเช้ราทั้งหลายอย่างนี้ผิดหรือถูกคะไม่ประโยชน์แล้วต้องที่ให้คนที่เขาต้องการ คนที่ต้องการคือเปรตเท่านั้นที่เขามาขอรับส่วนบุญดัานั้นเขาไม่ต้องการบุญจากเราหรอกเขามีบุญมากกว่าเราคำถามจากคุณจิตกราบนามัสการเจ้าคะ่ะฝากขอเรียนถามเป็นปัญหาของครอบครัวเรามีแม่ที่แก่แล้วและเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ยังลุกนั่งได้วันหนึ่งแม่พูดกับข้าพเจ้าว่าอยากออกไปดูข้างนอกบ้างหลังจากที่ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะโควิด ข้าพเจ้าได้พาแม่ออกไปข้างนอกและพาไปใส่บาตแต่มีปัญหาอยู่ว่าแม่อยู่กับพี่สาวแล้วเขาไม่อยากให้แม่ไปไหนเหมือนเราจะไปแย่งแม่ไปเราบอกว่าเราไม่ใช่ขอพาไปใส่บาตตอนเช้าและให้เปิดหูเปิดตาบ้างแต่มันก็มีปัญหาตลอดเขาพยายามที่จะไม่ให้แม่มากับเราแต่เขาก็ไม่มีเวลาให้แม่เขาจะปิดล็อกห้องแม่ไว้แล้วก็ไปทางาน แต่ไม่ได้ไปไกลเป็นห้องติดกันค่ะพระเจ้าคิดว่าแม่เหงาและญาติพี่น้องคนอื่นก็มีปัญหาเหมือนกันเราควรทําใจและกระทําอย่างไรดีเจ้าคะก็ถือว่าเป็นกรรมของแม่ก่อนแล้วกันถ้าพาแม่ไปไม่ได้ก็ปล่อยให้แม่อยู่ไปอย่าไปมีเรื่องมีราวกันไม่เกิดประโยชน์อะไรคําถามจากคุณเพลินพิสุกเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าเพื่อนเริ่มชิงดีชิงเด่นพูดรู้เกินและสอนครูบาอาจารย์ ขัดแยให้ประหลอดจะทําอย่างไรดีคะเขาปล่อยเข้าไปไม่ใช่เรื่องของเราเราอย่าไปทําตามเขาก็แล้วกันคําถามจากคุณนภศรขอความอนุเคราะห์พระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องปฏิจจสมุติบาทส่วนมากเป็นภาษาบาลีอ่านแล้วไม่เข้าใจอยากให้พระอาจารย์ช่วยแปลให้ฟังเข้าใจง่ายปฏิจจสมุติบาทก็เป็นการทํางานของใจเริ่มต้นที่ใจมีวิชา วิชาคือความหลงหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่ในโลกนี้ก็เลยสั่งให้สังขารความคิดปรุงแต่งปรุงไปหาวิญญาณให้ส่งวิญญาณไปหาร่างกายไปหาตาหูจมูกลิ้นกายอายตน ะ, ะเพื่อจะได้สัมผัสกับรูปเสียงกยลิ่นรสที่เป็นอายตนะภายนอกพออายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายได้สัมผัสกับ อายตนาภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเห็นรูปก็จะเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาได้ยินเสียงก็ได้เกิดสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาพอเกิดเวทนาก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาถ้าสุขก็อยากได้มากๆถ้าทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆแล้วก็เลยเกิดอุปทานคือความยึดยึดติด ติดกับความสุขติดกับความทุกข์ความทุกข์ก็อยากจะกำจัดนะความสุขก็อยากจะเก็บไว้อยู่กับเราไปนานๆพอมันไม่บรรหายไปก็ต้องมีภาวะใหม่ขึ้นมาหาความสุขใหม่ขึ้นมาการเวลาร่างกายตายไปก็ต้องไปเกิดใหม่เพราะต้องใช้น่่งกายตาหูจมูกลิ้นกายมาทำต่อนี่คือปฏิจจสามุปบาท่มต้นที่อวิชชาปัจจะยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณ จากอวิชาก็ไปสังขารสังขารก็ไปสู่สู่สู่วิญญาณตาหูจมูกนิ้วกายวิญญาณก็ไปเกาะที่ตาหูจมูกนิ้วกายตาหูจมูกนิ้วกายก็ไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสก็เรียกว่าสัมผัสเกิดขึ้นเกิดสัมผัสก็เกิดความก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาพอเกิดความรู้สึกก็เกิดความอยากขึ้นมาเห็นเขาชอบเป็นไงอยากได้มั้ยเห็นเขาไม่ชอบไปอยากโยนทิ้งมัอย เกิดความอยากแล้วเราก็เกิดความผูกพันขึ้นมาได้แล้วแล้วก็อยากจะเก็บไว้อยู่กับเราไปนานๆพอมันหมดไปก็ต้องไปหาใหม่ก็เป็นภาวะใหม่ขึ้นภาวะก็ไปเกิดใหม่ถ้าร่างกายนี้ตายก็ไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ก็ทำต่อเห็นว่าตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดต้องมาหยุดที่อวิชชาด้วยธรรมะด้วยปัญญาเห็นทุกอย่างในโลกนี้เป็นตายรักมันก็จะได้หยุด มันก็เลยจะไม่ส่งสังขารปรุงแต่งออกไปมันก็จะอยู่ในสมาธิแทนอยู่ในความสงบแทนมันก็ไม่ไปส่งวิ ญ, ญญาณไปเกาะร่างกายต่อไปต่อไปร่างกายไม่มีมันก็ไม่ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะมันรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจนี้เองไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกก็หยุดปรุงแต่งหยุดสังขารพอหยุดสังขารมันก็หยุดวิ ญ, ญญาณวิ ญ, ญญาณก็ไม่ส่งออกไปเกาะที่ตาหูจมูกนิ้กาย มมมมันก็ไไ่่ีพชาตตาตตติอปคำถามจากคุณพี่ตุ้กับเรียนถามพระอาจารย์ครับการที่เราจะมองโลกเป็นของว่างเปล่านั้นเราต้องมองอย่างไรครับก็ไม่มีตัวตนอย่างเราจะจากตัวตนเราไปสมมุติว่าเป็นตัวตนเหมือนกับเราไปสมมุติว่าโลกนี้แบ่นโลกมันไม่แบ่นโลกมันกลมแต่ในโลกนี้ไม่มีตัวตนทุกอย่างเป็นดินน้าลมไฟนันเอง เป็นการรวมเป็นการเป็นการประกอบขึ้นมาของดินน้ำลมไฟหรือเป็นเป็นดินหรือเป็นน้ำเป็นอะไรไปอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นของแข็งเราก็เรียกว่าดินของเหลวเราก็เรียกว่าธาตุน้ำของของที่เป็นลมเป็นอากาศเราก็เรียกว่าธาตุลมความร้อนเราก็เรียกว่าธาตุไฟมันก็มีแค่นี้นะสี่ตัวนี้พอมันมารวมกันมันก็เป็นต้นไม้เป็น เป็นดอกไม้เป็นอะไรต่างๆแล้วพอมีธาตุรู้อีกตัวมารวมกันก็เลยเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาแล้วตัวธาตุรู้เนี่ยเป็นตัวมาสมมุติไปปรุงแต่งขึ้นมาเองว่าเป็นร่างกายเป็นนายกรนายขอเป็นหญิงเป็นชายเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นที่ดาวกันขึ้นมาอันนี้เป็นสมมุติเราลองรู้ความจริงว่าโลกนี้ว่างจากสมมุติ สมุนธ์นี้เป็นของปลอมเป็นของที่เราสร้างกันขึ้นมาคิดขึ้นมาไม่ใช่เป็นของจริงของจริงคือไม่มีอะไรมีแค่ดินน้ำลมไฟที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมารวมตัวกันแล้วก็แยกกันออกไปไอ้ไม้ต้นไม้พอมันได้น้ำมันก็ได้น้ำผสมดินได้อากาศได้ความร้อนมันก็งอกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ตายหญ้าโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ตัดมันตัดมันแล้วมันก็กลับไปเป็นดินใหม่แล้วก็กลับขึ้นมาใหม่วนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ เป็นเรื่องของดินน้ําลมไฟของธาตุทั้งหกธาตุสี่ดินน้ําลมไฟธาตุที่ห้าก็คือธาตุรู้เกิดใจแล้วธาตุที่หกก็คืออาวากาศมีหกธาตุทำนั้นที่เป็นความจริงเนอกนั้นก็ไม่มีอะไรคําถามจากคุณธิดาค่ะเวลาโยมตื่นขึ้นมาจะมีเพลงขึ้นในใจอยู่แทบจะทุกวันแล้วแต่ละวันก็เป็นเพลงไม่ซ้ํากัน นอกจากเวลาทา ง, งานเพลงเพลงนั้นก็จะหายไปค่ะแต่เมื่อไหร่ที่ว่างจะมีเพลงเกิดขึ้นโยมเลยทดลองเปิดบทสวดทำมาจากทานองอินเดียแล้วก็จะมีเสียงบทสวดนี้อยู่ในใจแต่ถ้าไม่ฟังบทสวดก็จะมีเพลงขึ้นค่ ะ, ะก็ลองสวดมนต์ไปสิไม่ต้องฟังหรอกอัดสวดไปเรื่อยๆ<ม>ก่อนนอนก็สวดมนต์นิททำวัดอััองสัมมาสวาขาโตอะไรไปเดีย๋ยวต่อไปบทสวดมันก็จะขึ้นมาแทน ถ้าเราฟังฟังเพลงมันก็จะฝังอยู่ในใจเราพอตื่นขึ้นมาเพลงที่มันถูกฝังอยู่มันก็โผขึ้นมาคำ ถ, ถามจากคุณณรงชัยกราบนมัสกา ร, รพระอาจารย์ขอกราบเรียนถามว่าเคยอ่านพบว่าสมาธิที่เกิดขึ้นจากการเดินจงกรมจะอยู่ได้นานมากกว่าการนั่งสมาธิลักษณะาอาการเป็นอย่างไรครับอ๋อไม่เกี่ยล่ะบางทีก็แล้วแต่ว่าสติมากสติน้อย ไม่ได้อยู่ที่ท่าท่าเดินท่านั่งนี้ไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าจะจะสงบได้นานไม่นานตัวที่จะสงบนานไม่นานอยู่ที่ตัวสตินะจากคุณมยุรีเจ้าค่ะ<ม>สวดมนตนะ์ภาวนาติดต่อกันมาเกือบหนึ่งปีความสมงบเกิดขึ้นพอตอนกลางคืนตอนนอนหรือบางครั้งตอนเย็นเยนตอนเงียบจะได้ยินเสียงสวดมนต์ทั้งๆแต่ก่อนไม่เคยได้ยินเป็นเสียงที่มาจากที่ใดคะ หรือว่าเราหูแววแต่ได้ยินมาหลายครั้งแล้วนะคะมันมาจากใจเราเนี่ยแหลใจเราเคยสวดอะไรไว้มันก็จำอยู่แล้วอยู่ว่างๆมันก็โผล่ขึ้นมาเหมือนนั้นลึกชาติได้แล้วลึกเสียงคทนเอาไปอาจจะเลึล่ชาติได้ก็ได้ถ้าจิตยิ่งสงบมากขึ้นมากขึ้นก็ขึ้นอยู่ที่เราเราชอบเ ล, ลึกถึงอะไรด้วยถ้าเราลึกถึงเสียงมันก็จะมีเสียงโผล่ขึ้นมา เจจ้้าาาาารละลึึึกกถงชชตตติิ่อไปะละลไปะดคำถามจากคุณพี่ตุ้มมีวิธีใดที่จะพิจารณาอสุภะอย่างละเอียดยากขายได้บ้างครับก็ดูอาการ312แล้วก็ไปดูที่โรงพยาบาลดูของจริงไปดนูนักศึกษาแพทย์เวลาเขาผ่าศพเพื่อจะได้ดูว่าอวัยวะต่างๆอยู่ตรงไหนบ้างในรูปร่างลักษณะอย่างไรบ้าง ไปดูแล้วก็ออกมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายร่างกายนี้ก่อนที่จะมานอนตรงนี้ก็เป็นเหมือนร่างกายของเราเคลื่อนไหวได้ทําอะไรได้พอมันหยุดลมหายใจปับมันก็เคลื่อนไหวไม่ได้ร่างกายของเราต่อไปก็จะต้องเป็นแบบนี้เหมือนกัน<ๆ>เขาเป็นอนาคตของเราเราเป็นอดีตของเขา<ๆ>นนะไม่น่าให้คิดอย่างนี้มันก็จะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆไป คำถามต่อไปเวลานั่งภาวนาเองคนเดียวเงียบๆมักจะง่วงและสัประโกระหักหนูใช้วิธีการภาวนาไปพร้อมกับการฟังเทศซึ่งมักทําให้ง่วงได้ยากกว่าแบบนี้ถือเป็นวิธีเหมาะสมไหมคะลุกขึ้นมาเดินจงกรมได้จะดีกว่าทั้า ง, ง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินถ้าเดินยังง่วงอยู่ก็ไปเดินที่ป่าช้าเดินที่มันน่ากลัวเท่าที่ไหนหน่ากลัวแล้วมันก็จะไม่ง่วง หรือว่ากินข้าวให้น้อยลงอย่าไปกินอาหารเย็นอย่าไปกินก่อนที่เราจะมานั่งปฏิบัติพอเวลากินเสร็จใบใหม่แล้วหนังท้องมันจะเินหนังตามันจะหย่อนแล้วพ ย, ยายามรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารรับประทานเพียงมื้อเดียวได้ดีตอนเช้ า, เามันเรียบร้อยไปเลยแต่แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็หายใหม่ๆกินเสร็จมันก็ง่วงก็เดินเอา พอสักรั้หนึ่งแล้วมันก็จะหายว่วงทีนี้ก็นั่งได้สบายคำถามสุดท้ายนะคำถามจากคุณสุดใจค่ะลูกพร้อมที่จะบวชชีแต่ร่างกายไม่แข็งแรงถ้าบวชแล้วมาปฏิบัติที่บ้านได้ไหมเจ้าคะได้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้เอาแลานะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิพิจรารณาไปปฏิบัติ